4. โพชนวัรห 5. ปฐมปรวรณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัตหารข้อที่หนึ่งเรื่องภิกษุหลายรูป 236. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นพรามคนหนึ่งนิมนตภิกษุทั้งหลายให้ชันพัตหาร ภิกษุชันแล้วบอกห้ามพระทหารแล้วพากันไปตระกูลญาติภิกษุบางพวกยังฉันอีกบางพวกก็ยังรับบิณฑบาตกลับไปต่อมาพราหมณ์ได้กล่าวกับเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยดังนี้ว่านายทั้งหลายเราเลี้ยงภิกษุทั้งหลายให้อิ่มน้ำแล้วเชิญมาเถิดเราจะเลี้ยงพวกท่านให้อิ่มน้ำบ้างเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่านายท่านจะเลี้ยงพวกเราให้อิ่มน้ำได้อย่างไรแม้พวกภิกษุ ที่ท่านนิมนต์แล้วก็ยังต้องไปที่เรือนพวกเราบางพวกยังชันอีกบางพวกก็ยังรับบิณฑบาตกลับไปครั้งนั้นพราหมณ์นั้นได้ตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนในพระคุณเจ้าทั้งหลายชันที่เรือนเราแล้วจึงไปชันที่อื่นอีกเล่าเราไม่สามารถจะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตำหนิประนามโพลธนา บรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตำหนิประนามพนธนาว่าฉนัยภิกษุทั้งหลายฉันแล้วบอกห้ามพระทหารแล้วไปฉันต่อที่อื่นอีกเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆแล้วจึงนาเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ